ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีสิมีตมไปอันนี้ไม่ใช่คำสอนของปปุชาติมุฟังสิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือความดีย่อมมีผลความชั่วก็มีผลผลแห่งความดีมีผลแห่งความชั่วมีแต่คำพูดที่เราเคยได้ยินกันมานะคราพะเจ้าเคยได้ยินคาเนี้ยนานมานั่นแ ล, ละทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีสิ มีตมไปเป็นกาพูดของคนบางคนที่ทําดีแล้วไม่ได้ดีแต่ทําดีแล้วยังไม่ได้เห็นผลของความดีแต่เห็นว่าไอ้คนที่มันทําชั่วเนี่ยเอ๊ะทำไมมันร่ํารวยมีเงินตรามีชื่อเสียงมันมันทำไมเป็นอย่างนั้นจึงแต่งสุภาษิตนี้ขึ้นนะว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีสิมีถมไปแล้วเห็นอยู่ชัดเจนในสังคมปัจจุบันทั้ว่าดคนทําชั่วเนี่ยร่ํารวย คนนำชั่วแล้วก็มีชื่อเสียงเห็นอยู่มีแต่ไม่ใช่ไม่มีปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วคนที่ทำดีแล้วมันกลับได้ผลเป็นความไม่ดี เ, เช่นสื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าทำไมไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเราก็มีลราก็เห็นอยู่วันนี้จึงจะนาเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังเต็มฟังนะโดยได้พูดถึงเรื่องของกรรมนะกรรมคือการกระทำนะคือเจตนา เกิใจเราถ้ายังมีกิเลสราคษาโทสะโมหะเนี่ยทำอะไรมันก็เป็นเจตนาเท่านั้นคำนั้นก็คือเจตนาเดี๋ยวซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าละ่ะที่จะนําพุทธพจน์อันเป็นคําสอนของบุรุษชาตมาให้ทั้งบุฟังฟังฟังแล้วก็มาทําหน้าที่อย่างที่2คือการอธิบายก็ความเหล่านั้นให้มีความแจ่มแจ้งข้าพเจ้าก็จะนําพุทธพจน์มาให้ทั้งบุฟังฟังได้ฟังแล้วเมื่อวานนี้ ถ้าใครยังไม่ได้ฟังอาจจะไปหาฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ com หรือว่ารอซีดีก็รอตอนปลายปีจะทำซีดีให้ฟังส่วนถ้าใครสะดกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ dot com นำไปฟังที่นั่นกันได้พระพุทธพจน์ที่นํามาเล่าให้ฟังนั้นคือเรื่องของกรรมในการให้ผลในระดับต่างๆแล้วเราก็จะอธิบายให้ฟังละว่า้การให้ผลในระดับต่างๆมันมาสอดคล้องกับเรื่องที่ทําดีแล้วไม่ได้ดีทําช่วยแต่ได้ดี มันเป็นยังไงพระอาอธิบายไว้อย่างนี้ตัมฟังนั่นบอกว่าความดีเนี่ยการทําการกระทำใดๆก็ตามนะดีก็ต้องให้ผลการกระทําใดๆก็ตามชั่วก็ต้องให้ผลผลที่มันจะออกเนี่ยมันจะออกเป็น3ระดับเนืนเช่นจะออกในระดับที่ในปัจจุบันเดียวนั้นในการทําเดียวนั้นตรงนั้นนี่คือระดับที่1นึ่งภาษาบาลีที่พระอาจารยใช้ก็คือทิฏฐธรรมแก็คือปัจจุบันเดียวนั้นทันควัน ในระดับที่2องคือเวลาต่อมาและในระดับที่3ามคือเวลาต่อมาต่อมาอีกอันี้คือเขาเรียกว่าลักษณะแห่งการให้ผลขก็มันจะมี3อย่างตรงนี้เช่อนอะไรบ้างเช่นถ้าคนที่ออกกําลังกายไปวิ่งผลที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยทจำฟังมันเหนื่อยแน่นอนคนที่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งหรือไปออกกําลังกายอย่างใดอย่างหนึ่งเหนื่อยแน่นอนนี่คือผลที่เกิดขึ้นในทันควันปัจจุบันเดี๋ยวนั้นผลที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา แล้วก็อาจจะทําให้เขาผอมลงได้แต่นนคนอ้วนไปออกกําลังกายตอนแรกผลให้ในทันควันนั้ น, น, นเหนื่อยแน่นอนผลให้ในเวลาถัดมาก็ร่างกายผอมลงเดิน 1- นสองเดือนผ่านไปในเวลาถัดมาก็ผอมลงในเวลาถัดมาถัดมาอีกอาจจะ5ปี2ปีหรือ10ปีจากนี้แล้วก็จะมีอายุยืนขึ้นใ น, นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เกิดขึ้นได้ น, น, นี่คือลักษณะผลแห่งการก็ได้ว่าการออกกําลังกายของเรา การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งจำฝังเหมือนต้องให้ผลหรืออย่างว่าเด็กตั้งใจเรียนตั้งใจขยันอ่านหนังสือตอนที่อ่านนั้นอาจจะงงผลที่เกิดขึ้นทันควันตอนที่อ่านพยายามทําความศึกษาเข้าใจในโจทย์คณิตศาสตร์หรือว่าเรื่องราวในเรื่องราวหนึ่งท่องจําต่างๆอาจจะงงอาจจะง่วงผลที่ทันควันที่เกิดขึ้นตอนนั้นของเขา แต่ในเวลาถัดมาผลที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้เขาสอบได้แ ล, แล้วก็ในเวลาถัดมาถัดมาอีกแต่การสอบได้ก็ทําให้เขามีรายได้ดีมีอาชีพการงานต่างๆอันนี้เกิดขึ้นได้ผลมีการให้ผลเป็น3ระดับอย่างนี้นี่คือลักษณะของการให้ผลของกรรมที่จะเกิดขึ้นทีนี้ในสมัยปัจจุบันในตำรวงความซับซ้อนสับสนซ่อนเงื่อนของกลโกงเนี่ยมันมากจริงๆ แตนะมันมากในขณะที่ว่าบางทีทําให้การให้ผลของกรรมเนี่ยมันออกมามีความสลับซับซ้อนเนะ่ซึ่งเรื่องของการให้ผลของกรรมเนี่ยจำฟังเป็นเรื่องที่พระเจ้าบอกว่าเป็นอ่จินตยอ่จินตายหมายความว่าไงก็หมายความว่าเรื่องที่ไม่ควรคิดนะีอะก็คืออย่าทําไม่ทํานะี่จินตายก็คือไปคิดพิจารณามันอย่าไปคิดพิจารณามันเพราะว่าถ้าไปคิดพิจารณาไคร่ครวนแล้วก็จะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าฟุ้งซ่านสิเปล่าเสียเวลาเปล่า ใหนเข้าใจเข้าคร้าวอย่างนี้ว่าผลของกรรมเนี่ยจะมีอยู่3มระดับอย่างนี้นะซึ่งทําไมบางทีเราทําความดีความดีเนี่ยตั้งใจเลี้ยงลูกดูแลลูกอย่างดีเฮ้ยทาไมมันอย่างดื้อ ม, มันอย่างสนนะอันนี้อาจจะเป็นผลที่เกิดขึ้นได้นะเพราะความสับสนความซับซ้อนความวุ่นวายของสังคมในปัจจุบันนะไม่ใช่เฉพาะตัวเรายัางญาติอีกอย่างสื่อโฆษณาอีกอย่างโรงเรียนอีกครูด้วยแต่ทําไม่บางทีมันให้ผลออกมาเป็นอย่างนี้ละ ไม่รู้สักอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ว่าผลในเวลาถัดมามันก็จะต้องตามให้เหมือนกันผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกก็จะต้องตามให้อีกเหมือนกันแต่เพดัะนั้นให้มีความมั่นใจตรงนี้นนนนนนนก่อนอันดับแรกแต่ว่าลักษณะการให้ผลของกรรมมี3อย่างอันดับแรกนะคือเรื่องของการให้ผลของกรรมมี3อย่างอันดับที่2คือเรื่องของกรรมคือเจตนาะใ น, นเจตนาในการกระทําสักอย่างใดอย่างหนึง่งคือบางทีเราทําอาจจะไม่ได้ว่าเจตนาแบบทําอันนี้แน่นอนอย่างเงี้ยอันนี้คือความตั้งมั่น ความตั้งมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่บางทีเราก็รู้ตัวอยู่ว่าเราทําแต่อาจจะไม่ได้ตั้งมัน่นการกระทำตรงนี้นขอเรียกพอเจตนาห์กันนะเช่นบางทีเราตัดสินใจในการที่จะเซ็นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเอกสา ร, รให้เกิดการโกงขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเจตนานะอาจจะไม่ได้ว่าตั้งมัน่นเลยว่าฉันจะต้องโกงฟันธงอาจจะแค่ว่าทําด้วยความาจำยอมอะไรอย่างเงี้ยก็จำยอมก็ถือว่าเจตนาห์กันทีนี้เรื่องของคำคือเจตนา การให้ผลของก ร, รมมี3ระดับนะซึ่งอย่างที่ข้าพเจ้าว่านี่ยแหละว่าเวลาที่กรรมให้ผลเนี่ยบางทีมันด้วยความซับซ้อนความสับสนกลโกงที่ละเอียดลึกซึ้งแยบคายในปัจจุบันทําให้การให้ผลของกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปจนบางคนที่ซื่อสัตย์สุจริตในคนที่ซื่อสัตย์สุจริตอาจจะให้ผลของกรรมในปัจจุบันถ้าคุณอยู่กับหัวหน้าที่ไม่ดีก็จะให้ผลเป็นการถูกต่อว่านะทันควันเลย แต่ไม่คุณไม่เส็นตรงนี้คุณต้องถูกด่าว่าอะไรต่างๆถ้าคุณอยู่กับหัวหน้าที่ไม่ดีแล้วก็ผลที่ให้ในเวลาถัดมาก็จะทําให้คุณแปลกแปลกเนีหมายความว่าไม่เจริญเก้าเงินหน้าในหน้าที่การงานจะเป็นเอกชนก็ตามเป็นรัฐราชการก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ทําตามที่หัวหน้าบอกแผลในปัจจุบันคุณถูกด่าก่อนแต่ผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกคุณก็ถูกก็แปลกถูกก็ไม่ทําให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน น่ยไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งถูกเอาไปแช่ไปค้างเอาไว้เข้ากรุอะไรลักษณะนั้นอันนี้คือเรื่องที่2เนี่ยเป็นการให้ผลอันดับที่2 ส, ส่วนการให้ผลในเวลาถัดมาอีกเนี่ยถ้าเราพูดถึงในภพหน้าในชาติหน้าแน่นอนคนที่ซื่อศาสตร์จุจริตคิดถึงกรรมดีของตัวเองเมื่อไหร่ก็มีความภูมิใจแต่ฉันไม่ได้โกงต่อนฉันอาจจะมีเงินน้อยแต่ฉันอาจจะมีความเป็นอยู่ที่พอเป็นไปได้ไม่ถึงขนาดกับร่ํารวยเงินทองมาก แต่ก็พออยู่พอกินไปแต่ผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกนั้นในเวลาเช่นพบต่อไปอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เขาไปสวรรค์ไดนะ้การไปสวรรค์แล้วก็เป็นผลที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาต่อมาอีกนะเป็นผลของกรรมการกระทำตรงนี้ถ้ามันจะเกิดขึ้นตรงนั้นมันอาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นลําดับของการให้ผลในธรรฝัง่งมันยืดไปได้ตลอดอท่านควันในะปัจจุบันเดียวนั้นก็ได้ระดับหนึ่งในเวลาถัดมาอาจจะเป็นหนึ่งอาทิตย์ อาจจะเป็น2ปี5ปี10ปีไม่แน่ในเวลาถัดมาทันมาอีกอาจจะเป็น20ปี30ปีหรือไปถึงชาติหน้าไปนู่นนะซึ่งมันก็ต้องมีเวลาถัดไปถัดไปอีกแต่มันก็ต้องยืดไปได้ตรงนี้ซึ่งทําให้การให้ผลเนี่ยมันยากที่จะเกินคาดเดาว่าทําไมคนทําดีแล้วมันไม่ได้ดีคนทําชั่วแต่ทําไมมันได้ดีแต่ก็มีอีกประศุดหนึ่งที่พุทเจ้าได้พูดถึงเรื่องของสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นบางคนอาจจะคิดว่าแหมคงจะเป็นคําเก่าของฉัน กรรมเก่าของฉันนี่แหละที่ว่าทำให้ฉันได้มาเจอความทุกข์ทำดีแล้วมันก็ไม่ได้ดีนอย่างนี้คนที่คิดอย่างนี้ก็มีซึ่งถ้าเราคิดอย่างเดียวว่าไอ้สุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าอย่างเดียวอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทำฝังทําไมถึงบอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าถ้าคนเนี่ยเขาแค่เรื่องกรรมเก่าเป็นสาระสาคัญกรรมเก่าหมายถึงเจตนาที่ผ่านมาแล้วในาำฝั ง, งเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วอ่ะ คุณไปตามแก้มันได้ไหมล่ะคุณขึ้นทางแมชชีนกลับไปนั่นก็เรื่องย้อนเวลากลับไปในการที่จะไปแก้ว่ า, าฉันเรียนโรงเรียนนี้มาฉันเรียนสายอาชีพนี้มาย้อนเวลากลับไปเอาไม่เรียนอันนี้หรือยวไม่เข้าโรงเรียนนี้ไม่เรียนสายอาชีพนี้อ่ะนําไปเปลี่ยมันทําไม่ได้แล้วท่านฟังมันไม่มีเครื่องอย่างว่าเครื่องอย่างว่าไม่มีในโลกนี้ในที่สุดก็คือนั่งสมาธิแล้วก็ไปรู้ว่าอดีตเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงก็แค่นั้นเองแต่ไปตามแก้มันไม่ได้ เพราะกรรมนั้นได้กระทําไปแล้วแต่สิ่งที่ทําไปแล้วเป็นอนทําไปแล้วแต่สิ่งใดยังมาไม่ถึงก็ค่อยว่ากันแต่สิ่งที่เป็นกรรมเก่าถ้าเราจะอาศัยกรรมเก่าเป็นเหตุอย่างเดียวเราจะไม่ทําอะไรแต่ทำไมอ่ะเอาก็คุณไปโทษกรรมเก่าอย่างเดียวไงฉันเป็นอย่างนี้ก็เพราะกรรมเก่าตรงนั้นแล้วตอนปัจจุบันนี้จะทําอะไรได้แล้วก็จะไม่เห็นว่าอะไรควรทําอะไรควรละอันนี้จะเป็นความไม่ดีเป็นความเป็นที่ผิดเป็นความเป็นที่ไม่ถูกต้อง เราคิดว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นจากกรรมเก่าอย่างเดียวเป็นความเห็นที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิต็มฟังแล้ที่ถูกต้องเป็นยังไงที่ถูกกับพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้กับปริป่าโชคที่ชื่อว่าสีวกะเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของเหตุของสุขและทุกข์แต่ว่าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่มันมีเหตุอยู่ทั้งหมด8อย่างด้วยกันในแปดอย่างอันดับแรกในหนึ่งสอย่างแรกเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย หน่คือเรื่องของน้ำดีบางทีเรามีความสุขความทุกข์นะเกิดจากการที่น้ำดีมันดีหรือน้ำดีมไม่ดีน้ำดีก็คือระบบการย่อยอาหารแต่2นะคือเรื่องของเสมหะบางทีอาจจะมีสุขภาพดีหรือไม่ดีก็ตรงนี้แลนะข้อที่3าคือเรื่องของลมธาตุลมในกายแล้วก็ที่สี่ก็คือน้ำดีเสมหะแล้วก็ลมรวมกันแต่สนะีอย่างแรกก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนั่นเองธนะาตุมีการเปลี่ยนแปลงไปในะการส่งขึ้นการลําเลียงอาหารการย่อยอาหาร แล้วเปลี่ยนแปลงไปมันก็ตามอาหารที่เรากินบ้างตามเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วสุขและทุกข์เกิดจากตรงนี้ก็ได้นี่คือ4อย่างแรกอย่างที่ห้าคือเรื่องของฤ ด, ดูกาลบางทีฤ ด, ดูแปรปรวนมันก็ทําให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์ได้เช่นว่าคุณเดินออกไปข้างนอกเดินข้างนอกเสร็จแล้วก็ฝนตกฝนตกก็โดนฝนเปียกโดนฝนเปียกก็เจอความทุกข์อันนี้มีความทุกข์ับเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ไปโทษว่ากรรมเก่าโอ้คงต้องเป็นกรรมเก่าของฉันแน่เลย เอาก็ฝนมันตกกันทั้ผู้ฟังฝนมันตกตัวมันก็เปียกก็ธรรมดาแต่เป็นเหตุแห่งฤดูการมันไม่ได้เรื่องกรรมเก่าอะไรเลยนี่คือข้อที่ห้าข้อที่หคือการรักษาตัวไม่สม่ำเสมออยงเช่นบางทีเราเดินขึ้นตึก10ชั้นอย่างเงี้ยวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นตึก10ชั้นแล้วมันเหนื่อยแล้วจะไปโทษกรรมเก่าว่าโอ้คงต้องเป็นกรรมเก่าแน่เลยฉันเดินขึ้นตึก10ชั้นมาแล้วฉันเหนื่อยมันไม่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องของการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอนนี่คือข้อที่6กหรือก็ได้เจ็บเพราะการถูกทร้าย แต่บางทีเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตกท่ออย่างนี้โอค้คงต้องเป็นกรรมเก่าแน่เลยฉันตกท่อคุณถูกทําร้ายหรือว่าเจออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้แต่ทำให้เรามีความเจ็บความสุขความทุกข์เกิดขึ้นได้แล้วข้อที่8แน่นอนเป็นผลของกรรมอาจจะเป็นกรรมเก่าเป็นผลที่เกิดขึ้นในอดีตอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเหตุ8อย่างตัวนี้ทำฝังนะมันจึงเป็นผลที่ทําให้เรามีความสุขความทุกข์ได้คือไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นลงรุ่งของกรรมเก่าหมด ในเรื่องของกรรมเก่าก็เป็นอันหนึ่งใน8อย่างในเรื่องอื่นๆที่ว่าเวลาเช่นเรื่องของสุขภาพกินอาหารแล้วมันไม่ย่อยมันไม่ได้เกี่ยวกับกรรมเก่าคุณเดินออกไปไม่ได้ถือรลมไปด้วยนะคิดว่าแล้วเชียวทําไมจิ้งโจกถึงทักตอนก่อนออกจากบ้านอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยจำหวังเพราะเวลาที่เราเจอความสุขความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียวแต่กรรมเก่านี่เป็นหนึ่งในล s, หลายๆเหตุหลายปัจจัยซึ่งอย่างที่ว่าว่าการให้ผลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน นะการโกงในปัจจุบันมันทําให้มีการซ่อนเงื่อนมีการให้ผลที่ผิดเพี้ยนเบี่ยงเบนไปนะคนทําความดีน่าจะได้ดีแต่ว่าการได้ดีนั้นกลับให้ผลในระยะยาวอีกต่อไปกลับไม่ให้ผลในปัจจุบันนะกลับให้ผลในเวลาต่อไปต่อไปซึ่งอาจจะเป็นยาวขึ้นยาวขึ้นก็ได้แลนะซึ่งตรงนี้จึงต้องมาทําความเข้าใจว่าการให้ผลนะมันมีพระเจ้าเคยเปรียบเทียบนะําไว้4อย่างตามฝัง่งเปรียบกับบวบขม หรือบวบขมที่เจือด้วยยาพิษบวบขมเจือด้วยยาพิษแต่ถ้ากินเข้าไปตายแน่นอนรสชาติก็ขมด้วยเดี๋ยวเราก็เปรียบไว้อย่างที่2เปรียมกับเครื่องดื่มชนิดหนึ่งเดี๋ยที่มีรสชาติน่าดื่มมีสีสันดูดีในรสชาติหวานชื่นใจแต่ว่าเจือด้วยยาพิษเดี๋ยวอย่างแรกเจือด้วยยาพิษทั้งสิน้นอันแรกเป็นบวบขมรสชาติขมอันที่สองเป็นน้ําหวาน รสชาติดีมีสีสันดี น, น, นี่ก็สองอันอย่างแรกแต่เจือด้วยยาปิดอย่างที่สามนั้นเปรียบเทียบกับยาดองน้ำมุดเ น, น่าคือพระสงค์เนี่ยจะมียาชนดิดหนึ่งคือเอาลูกสมอที่เป็นลูกประมาณขนาดใหญ่กว่าหัวแม่โป้งนิดนึงแล้วก็เป็นลูกสีเขียวๆรสชาติของมันมีรสฝาดก็มีเม็ดอยู่ข้างในมีคุณสมบัติเป็นยาเอายาเนี่ยมาดองน้าปัสสาวะาดองน้าปัสสาวะ แล้วก็รับประทานเป็นยาได้นปะระสงค์จะใช้ยาอันนะี้เป็นยาที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ใช้ได้ซึ่งแน่นอนเอาผลไม้รสฝา ด, ดมาดองกับน้าําปัสสาวะจำฝั ง, งคี่ดูรสชาติมันจะดีไหมล่ะนะ่ะรสชาติมันแย่มากนะสีสันมันก็ดูไม่ดีสีน้าําปัสสาวะจำฝั ง, งนะ่ะเราก็กลิน่นโอ้โหไม่ต้องพูดถึงแต่ว่ากินเข้าไปแล้วมันหายจากโรคแลนะมีคุณสมบัติเป็นยานะี่คือยาดองน้ํามูนเน่าอย่างที่สาม อย่างที่สนั้นผู้ชาเปรียบเทียบไว้กับเภสัตว้านั่นก็คือเนอยใสในคข้นน้ำมันน้าพึ่งน้ําอ้อยแต่พวกนี้มีกลิ่นสุบัญญาเอาหอย่างนี้มาผสมกันรับประทานก็เป็นยาที่รักษาโรคลงโลงหิตได้รักษาได้จากเาจ้าเภสัตว้าตรงนี้4ีอย่างนี้ท่างฝั่งผู้ชาเปรียบเทียบไว้2 อ, อย่างแรกเนี่ยมียาพิษอยู่อย่างแรกคือบวบขมนั้นก็เปรียบกับเวลาที่เราทําความชั่วทําความไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นโกหก งแต่แล้วก็ได้รับผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันนั่นคือคนที่กินบวบขมเนี่ยมันขมด้วยแล้วก็ยังได้รับผลเป็นทุกข์ในเวลาต่อมาอีกนะถูกยาพิษตายอีกต่างหากนั่นก็เปรียบเส ม, มือนคนที่ทําชั่วแล้วได้ชั่วเดียวนั้นแล้วก็ได้ชั่วต่อไปอีกแต่ผลมันเป็นชั่วต่อไปต่อไปเช่นคนที่ไปทําร้ายคนอื่นใช่ไหมแล้วก็ถูกประชาทันกาที่ตายกาที่อย่างนี้นั่นก็คือให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันด้วย แล้วก็ถ้าคุณทํำร้ายคนเดินคุณก็ไปตกนรกด้วยนะก็จะให้ผลนะที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันให้ผลที่เป็นลักษณะของยาพิษนะก็ไปตกนรกอีกต่างหากนี่คือลักษณะของบวบขมที่เจือด้วยยาพิษอุปมาที่สองที่พระเจ้าเปรียบเทียบกับเครื่องเดิมชนิดหนึ่งที่มีรสชาติดีมีสีสันดีมีกลิ่นหอมแต่ว่าเจือด้วยยาพิษอันนี้แหละที่เปรียบเทียบกับคนที่ทําชั่วนะอาจจะได้ผลเป็นสุขในปัจจุบันก็อาจจะโกง แม่ร่ำรวยมีเงินทองกับรถยนต์โก้ๆรูๆอยู่บ้านหลังโตๆนะเนี่ยจะเกิดขึ้นได้แต่ตอนดื่มเนี่ยแม่มันซาบซ่านไปด้วยรสชาติที่ดีของมัน น, นกลิ่นก็ดีสีสันก็ดีกินไปแล้วมันชื่นใจแต่พอตกถึงท้องท่านนั้นกหวังเน่นพิษซึมเข้ากระแสะเลือดแล่นเข้าสู่หัวใจนะมันจะทุกข์ทรมานมากจะเจ็บแสบปวดแสบปดร้อนในกาย น, นไปตามกระแสะเลือด เพราะว่าพิษมันเข้าสู่กระแสะเลือดล่ะอันนั้นคือลักษณะนคนที่ทําชั่วอาจจะได้ผลเป็นส่วนในปัจจุบันแต่ได้ผลเป็นทุกข์ในเวลาต่อมาคือคนที่อาจจะต้องไปตกนรกนจะถูกจับได้นเบื้องปลายคุณอาจจะถูกจับได้ติดคุกหัวโตหรือว่าต้องคืนทรัพย์สินชดใช้ทรัพย์สินเป็นลหลายๆพันล้า น, นาลหลายๆหมื่นล้านถูกเขายึดไปแล้วก็ไปตกนรกอีกนันนี้ก็คือเหมือนกับคนที่ดื่มเครื่องดื่มที่หอมหวานแต่ว่าเจือด้วยยาพิษ นี่คือสองอย่างแรกนะที่เป็นยาพิษที่เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงพิจารณาดูให้ดีแต่ถ้าทําความชั่วไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งผลมันอาจจะออกมาดีในปัจจุบันแต่แน่นอนถ้าเราดูแล้วมันเจือด้วยยาพิษนะเครื่องดื่มชนิดนี้เจือด้วยยาพิษเราหลีกเลี่ยงซะในทางตรงกานข้ามต้งฝังถ้าเราดูสิ่งใดแล้วมันดีเป็นความดีความงามมีผลปัญญารักษาโรคถึงแม้ว่ารสมันจะขม รสชาติเปรบเทียบกับยาดองน้ํามูดเน่ากินเข้าไปเนี่ยโอ้โหท่านฟังแม่อยากให้ท่านฟังมาได้ลองชิมบ้างจังนะคือพระเนี่ยก็จะต้องลองกินดูละนะยาดองน้ํามูดเน่ารสชาติเป็นยังไงแตนะ่ทั้งกลิ่นทั้งสีทั้งรสนะไม่ได้เรื่องเลยท่านฟังทั้งฝาดทั้งกลิ่นทั้งสีเหมือนกันทําความดีบางอย่างถูกเขาดา่าถูกเขาว่าถูกเขาตอกใส่หน้าต่างๆนานาโง่ทํ า, า, า, า, า, าทไมทําไมไม่รู้จักโกงอย่างงี้ ตัวเขดาด่าทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้โกง ท, งทั้งที้เราทำความดีเหนะมือนกินยาดองน้ำมูดดาวนี่แหละแม้รสชาติมันแย่มากแต่ว่ามันจะมีผลเป็นการยารักษาโรคสามารถรักษาโรคเหลืองได้สามารถรักษาโรคปวดหลังปวดเอ็นอะไรต่างๆได้เนะพราะกินเข้าไปมันถ่ายปูดเลยในะพิษไข้อะไรต่างๆก็ อ, ออกไปด้วยเหนะมือนกันเราทำความดีบางอย่างได้ผลเป็นทุกในปัจจุบันแต่ได้ผลเป็นสุขในเวลาต่อมา เราสามารถบอกกับลูกหลานได้อย่างเต็มภาคภูมินว่าเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่โกงในเวลาต่อมาต่อมาอีกก็ยังได้ไปสู่สวรรค์ได้ไปสู่สุคติภพอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากแตจริงๆแล้วการทําความดีเนี่ยต้องให้ได้ผลดีผลดีบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็มีนพระเจ้าเปรียบยเทียบกับเพศท้าอย่างที่ว่านรสชาติก็ดีสีสันก็สวยงามช่วมาเราทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผลเป็นสุขในปัจจุบันด้วย เช่นวัตคุณไปนั่งสมาธินาคนที่นั่งสมาธิจิตรวมลงเป็นอารมณ์ันเดียวไม่คิดด้วยองใดๆมีความสุขอยู่ในภายในไอความสุขในภายในนั้น น, ะนี่นี่นั่นคือสิ่งที่ว่าคุณเห็นได้ชัดเจนณนะเดี๋ยวนั้นทันควันเดี๋ยวนั้นปัจจุบันนั้นทันทีณ น, นี้เกิดขึ้นได้ชัดเจนแล้วนในเวลาต่อมาต่อมาอีกแล้วก็ทําให้คุณไปสวรรค์ได้ไปสู่สวรรค์ไปสู่บรมโลกก็ว่าไปนาตามกําลังของสมาธิกําลังความดีที่เราทํามา อันนี้ก็จะเป็นผลที่ให้ผลเป็นสุขนั่นก็คือว่ารักษาโรคได้นั่นเป็นกเกเตศั้5เพราะฉะนั้นรูปแบบของการให้ผลเนี่ยบางทีมันแตกต่างกันไปดังนั้นไอคนที่ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปมันจริงอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าบางทีคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องกินยาดองน้ำมุดเน่าทำดีแต่ไม่ได้ดีแต่บางทีคนชั่วยนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไปดื่มเครื่องดื่มที่เจือด้วยยาพิษเครื่องดื่มหอมหวานที่เจือด้วยยาพิษ แล้วก็อาจจะมีความสุขรสชาติซาบซ่านในปัจจุบันเกิดขึ้นได้ทําให้เราเห็นว่าทําดีไม่ได้ดีนะกลับได้ผลเป็นทุก์ในปัจจุบันทําชั่วก็ไม่ได้ชั่วก็ได้ผลเป็นสุขในปัจจุบันแล้วนะก็เพราะว่าเราไปดูตัวอย่างของคนที่กินยาดองน้ํามูดเน่านะมันขมมันเหม็นมันฝาดเราไปดูตัวอย่างของคนที่กินเครื่องดื่มรสชาติ ด, ดีที่เจริญยาพิษมันหอมหวานกลิ่นดีสีสวย แต่เราดูให้ดีลึกเข้าไปนะว่ายานั้นการทาความดีนั้นจะให้ผลเป็นสุขในเวลาต่อมามันจะมีผลเป็นยารักษาโรคการกระทาตรงนั้นจะให้ผลเป็นสุขในเวลาต่อมาสุขนี้ไม่ใช่สุขธรรมดาโดยทํามฟังเป็นสุขมหาสารแล้วถ้าจะเปรียบก็คือหายจากโรคแต่จะพูดถึงความจริงก็คือไปสู่สวรรค์แต่เป็นที่ที่มีความสุขอยู่มากมากกว่ามาก แล้วในขณะที่เจ้าคนที่ทําความชั่วเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับกินเครื่องดื่มที่รสชาติดีสีสวยกลิ่นหอมแต่ ว, ว่าเจือด้วยยาพิษทําวทความชั่ว ต, ตรงนั้นได้ผลเป็นความดีความสุขเนี่ที่เกิดจากเงินทองต่างๆแต่ว่าไปตกนรกทำฟังตกนรกเนี่ยโอ้โหมไม่คุ้มกันเลยจากเงินทองที่คุณได้ในปัจจุบันไม่กี่ล้านไม่กี่หมื่นล้านอ า, อากูอาจจะได้หมื่นล้านกูอาจจะได้แสนล้านเอา้าตอนนี้คุณได้แสนล้านจริงก็ตามทุกในนรกเนี่ยทำฟังเอาเงินแสนล้านไปซื้อโง่ไหม คนเอาเงินแสนล้านไปซื้อความทุกข์ในนรกไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ต่อให้เอาเงินแสนล้านไปซื้อความสุขในสวรรค์เอออันนี้ฉลาดกว่าแต่เขาไม่ได้ขายอย่างนั้นต่อให้คุณเอาเงินแสนล้านไปซื้อความสุขในสวรรค์ก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าความสุขในสวรรค์นั้นหาไม่ใช่ได้ด้วยเงินแสนล้านมีค่ามากกว่านั้นมากนักเงินเน่ซื้อไม่ได้เลยความสุขประเภทนั้นแต่เพราะมันหาในโลกมนุษย์นี้ไม่ได้แต่เป็นความสุขที่เหนือกว่าละเอียดกว่าระนี่กว่า ซึ่งหาในโลกนี้ไม่ได้เงินซื้อไม่ได้แต่อาศัยการทําความดีเท่านั้นเองแต่ในทางตรงข้ามความสุขใ น, นนรกอะ่ะทําไมจะต้องเอาเงินไปจ่ายทุกแล้วยังต้องจ่ายเงินอีกโง่สองต่อทําฟังสื้ให้เราฉลาดแต่ว่าเราไม่ทําความชั่วไม่ทําความชั่วกุลก็ เ, เว้นจากนรกได้แล้วไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่ขอให้ทําความดีบางคนอาจจคิดว่ า, วาเงินแสนล้านฉันเสียเงินแสนล้านไปฉันเสียเงินแสนล้านไปหรือว่าผลประโยชน์ใดผลประโยชน์หนึ่งที่เราจะได้มากลับไม่ได้ นั่นเป็นการเสียแต่ถ้าเราได้เงินตรงนี้มาได้ผลประโยชน์ตรงนั้นมาจากการทําความชั่วแล้วแลกกับความทุกข์มหาศาลยอย่างที่อยู่ในนรกที่กับเราเคยเล่าให้ฟังว่าทุกข์มันมากขนาดไหนเนี่ยโหมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเถานฟังแต่มันเกินเปรียบเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะต้องไปคล้องแหวะด้วยเพราะฉะนั้นเราพิจารณาดูให้ดีว่าเออบางทีบางคนทําดีทําดีแล้วได้ผลดีเราเห็นอยู่แล้วก็เหมือนกับคนที่ กินเพสั 5, นหะ์ห้าเลยใสเนยข้ น, นน้ํามันน้ําพื่งน้ําอ้อยมีรสชาติดีได้ผลดีก็มีนะคนที่ทําความชั่วกินบวบขมที่เจรุยาพิษได้รับผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันเราก็มีเพราะฉะนั้นให้เข้าใจลําดับขั้นเรนะ่ของการให้ผลของกรรมในลักษณะนี้เราจะไม่สับสนเราจะเข้าใจเลยว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนมันก็มีจริงๆริงนะทาชั่วได้ดีสีมีต่อไปมันก็มีจริงๆเพราะว่ากรรมดีย่อมให้ผลกรรมชั่วย่อมให้ผล การให้ผลของมันนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในระดับต่างๆผลที่เกิดเป็นความสุขความทุกข์ย่อมมีแน่นอนตามฝังบางทีผลเกิดความสุขความทุกข์นั้นเป็นผลของกรรมเก่าก็มีเป็นผงการตรีมตัวไม่สมเสมอก็มีเพราะถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วให้มีความมั่นใจตามฝังให้มีความมั่นใจในคําสอนของพระเจ้าบางทีเราเจอสุขบางทีเราเจอทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบทุกขณะที่เราว่าทุกอย่างมันถาถมท่วมทับกันเข้ามาทั้งพ่อก็ตายน้องชายก็เป็นบ้า ลูกเขยก็ไม่ทํามาหากินเพื่อนรักก็มาตายหนีจากเมียก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วห น, นูกก็ไม่เลี้ยงดูไม่รู้จะทำอย่างไรดีในความทุกข์ท่วมทับถาถมมาอย่างเงี้ยเราค่อยมีความมั่นใจําฟังแต่ บ, บางทีสุขทุกข์มันเกิดขึ้นได้ในโลกนี้ภพของมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แกล้าวเจือกันไปอาจจะสุขมากกว่าจะทุกข์มากกว่าก็แล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่วัยอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นถ้ามันมีทุกข์อยู่ในชีวิตของเรา ซึ่งแน่นอนความสุขบางทีก็มีเราก็ยังกินข้าวได้เราก็ยังมีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วยังมีโอกาสทําความดีทำฝั่งมีโอกาสทําความดีทางกายทางวาจาทางใจมีโอกาสทําความดีให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของเราโดยการรักษาศีลแต่จะ ร, รักษาศีลมียุงมาการรัดเราเราจะตบมันอืไม่ตบมันแต่แค่นี้เราได้บุญละนี่เป็นโอกาสทําความดีทําความดีตรงนั้นอาจจะมีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นอยู่ก็ไม่รู้ละ แต่ก็ให้อดทนเอากอให้มั่นใจในคําสองของพระเจ้าว่าความดีให้ผลแน่นอนความชั่วให้ผลแน่นอนความชั่วกับความดีไม่ใช่อันเดียวกันเป็นสิ่งตรงข้ามกันเวทนาคือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันกับเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วแต่กรรมดีกรรมชั่วก็อย่างหนึ่งเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็อย่างหนึ่งมันไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นคนละอย่างกันเวทนาเกิดขึ้นได้สุขทุกข์มีในโลกนี้แต่ถ้าเป็นสวรรค์ก็สุขมากหน่อยทุกข์น้อย ถ้าเป็นสัตว์รกก็ทุกมากกว่าสุขน้อยกว่ามนุษย์ก็จะพอๆกันสุขมากบ้างน้อยบ้างนะก็จะไม่สุขถึงขาาาระดสวรรค์ทุกก็จะไม่ทุกเหมือนกับสัตว์นรกหรอกน้อยกว่ามากสุขทุกมีกรรมดีกรรมชั่วก็มีสุขทุกอย่างไรก็ตามกรรมดีกรรมชั่วเราทําได้ให้ทำำํากรรมดีอาจจะมีความทุกข์แต่ก็ให้ทำำํากรรมดีอาจจะมีความสุขก็ให้ยืนหยัดตั้งมั่นในการทําความดีถ้าเรามีความทุกข์ อาจจะทำให้จิตใจของเราแหมมันจะผันไปในทางชั่วอย่าทําอย่างนั้นนะความชั่วเนี่ยคนชั่วทําง่ายแต่いいความดีเนะี่ยคนชั่วทํายากเราอย่าเป็นคนชั่วคนดีนี่ความดีทําง่ายคนดีความชั่วทํายากต่อให้มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามให้เราเป็นคนดีทําความชั่วให้มันยากยากหน่อยทําความดีให้มันง่ายๆหน่อยมีสุขมีทุกข์มันธรรมดาเพรืฉะนั้นเร า, า, เรามีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่บางทีก็ไม่ใช่กรรมก่าวหรอก มันก็เป็นเรื่องของการเตรียมตัวในปัจจุบันบ้างอาจจะเรียนไม่ได้สูงมีความรู้เท่านี้การงานชีพมันก็เท่านี้ประมาณนี้นั่นก็เป็นไปแต่ถ้าเราทําความดีสุขที่มันจะให้ผลในเวลาต่อไปต่อไปเนี่ยมันมหาศาลความดีบางอย่างมันจะให้ผลมันออกผลในความเป็นโลกมนุษย์ไม่ได้นะเรื่องของศีลอย่างเงี้ยเป็นความดีความงามที่คุณจะได้ดีมันจะออกผลในเรื่องของสวรรค์เป็นไปในภพสวรรค์ที่มีกายละเอียดมันก็จะไปออกผลตรงนั้น ซึ่งถ้าให้ผลในปัจจุบันมันก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเกิดขึ้นในมนุษย์เท่านั้นแต่ถ้าให้ผลในเวลาต่อไปเราอดทนเอาเงินที่ฝากในธนาคารเนี่ยฝากตอนนี้อีกย0่สปีมาถอยมูลค่ามันเพิ่มตั้ง60เท่าแต่ถ้ากดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณจะเอาตอนนี้ก็เท่านี้ร้อยบาทแต่ถ้าคุณจะเอาอีกย0่สปีข้างหน้ามันก็จะเพิ่มเป็นหลายพันบาทเนื่องจากดอกเบี้ยทบต้นเช่นเดีวยวกันความดีบางทีตอนนี้มันออกนิดนึงหรือไม่ออกด้วยซ้ําหรือไม่ออกผลเลย แต่ถ้าความดีเหตุจากการทำความดีเราทำตอนนี้มันออกผลในอนาคตมันจะเป็นผลมหาศาลนั่นคือเรื่องของการที่เราไปสู่สุคติโลกสวัสดินั่นเองในวันนี้ครับเจ้าพระัยบุญภพิปุโ น, โนจากวัดป่าดนอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนเจริญพร